ปณีจยากแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้พูดถึงเรื่องของปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่เป็นปัจจัยการและกันอาศัยกันเกิดขึ้นซึ่งในพระบาลีนั้นได้ทรงใช้คำหลายๆคา จะโดยความหมายจริงๆก็คือว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนั้นจะเป็นเหตุปัจจัยอิงอาศัยซึ่งกันและกันทั้งช่วงการเกิดขึ้นการตั้งดูและการเสื่อมสลายไปในกระบวนการของปัจจัยการหรือปฏิจจสมปาตก็มีลักษณะอย่างนั้นได้พูดมาถึงเรื่องของเวทนาแต่แก่ความสวยอารมณ์ ่งเกิดขึ้นจากประสาทสัมผัสคือตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิมรสกายถูกต้องยิดร้อนนวแกงแตใจจดกนึกถึงอารมณ์การประยวกกันของอยตนาภายในและภายนอกมีตากับรูปเป็นต้นนั้นแล้วก็ขอให้เกิดความรู้ที่ท่านเรียกวิทยา วิญญาณในที่นี้หมายถึงวิถีวิญญาณหรือวิญญาณอคติแต่การที่เรารับรู้สิ่งต่างๆทางประสาทสัมผัสในชีวิตประจาวันราวิญญาณเองเขาก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยถ้าไม่มีเหตุปัจจัยให้เกิดเขากเกิดขึ้นไม่ได้เช่นว่าตาเราอาจจะเห็นรูป แต่ในขณะนั้นเราไม่ใส่ใจไม่สนใจคือปัจจัยประกอบที่ให้เกิดเป็นวิญญาณข้อหนึ่งได้หายไปการรู้ว่ารูปนั้นเป็นรูปอะไรดีหรือไม่ดีสวยหรือไม่สวยเป็นต้นก็จะไม่เกิดขึ้นต่อเมื่อใดองค์ประกอบให้เกิดวิญญาณมีครบความรู้รูปทางตาเป็นต้นก็เกิดขึ้น และการกระทบของอายตนะภายในภายนอกนั้นซึ่งก็แ ล, และวิญญาณ น, นั้นเองท่านเรียกว่าสัมผัสคือการกระทบการกระทบก็มีอยู่หกทางเหมือนกันเอลัทธิ์เรียกชื่อเต็มๆนั้นท่านเรียกว่าจักรุสัมผัสโสตสัมผัสเป็นต้นถึงแปลว่าการกระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ทางใจ แต่ที่ทรงแสดงในที่นี้ไม่ได้เอาตัวสัมผัสเข้ามาคือเมื่อเมื่อมีอยายตนะภายในภายนอกก่อให้เกิดเป็นสัมผัสขึ้นคือไม่ได้เอาวิญญาณตัววิธีวิญญาณเข้ามาและในสุดก็ก่อให้เกิดเวทนา ตระเว น, นา น, นั้นพึงสังเกตว่ามันก็อาศัยปัจจัยทั้งในขณะนั้นและปัจจัยในอดีตเข้ามาประสมกันประการจะเกิดเป็นสุขเป็นทุกข์หรือว่าไม่ทุกข์ไม่สุขในแก่เฉยๆนั้นปัจจัยเฉพาะปัจจัยที่เราสัมผัสในขณะนั้นเท่านั้นแต่แท้จริงแล้วก็เป็นเรื่องของการเก็บอารมณ์ในอดีตเอาไว้ด้วย พอเวลาตาเหตุรูปเป็นต้นบางครั้งก็เกิดยินดีเมืเกิดสุขกเวทนาเกิดไม่ชอบใจไม่พอใจก็เกิดทุกขเวทนารู้สึกเฉยเฉยไม่หนักไปทางยินดีหรือไม่ยินดีก็ เ, เกิดเป็นอทุกขกมรมสุขเวทนาคือไม่ถึงก็ทุกขหรือไม่ถึงก็สุขแต่ก็จิตที่รู้สึกเฉยเฉยซึ่งตามปกติแล้วจิตจะหนักไปในทางยินดีกับไม่ยินดี โอกาสที่จะเฉยๆนั้นก็คงมีน้อยเพียงแต่ว่ายินดีมากยินดีน้อยตอนนั้นเนองจากความยินดีและไม่ยินดีนั่นเองก็ก่อให้เกิดเป็นตันหากึ้นมาถึงหมายความว่าในส่วนที่ยินดีเราก็อยากได้เพิ่มเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก็กลายเป็นกามาตันหากับภาวะตันหามในส่วนที่ไม่ยินดีก็เกิดตันหาอีกประเภทหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าวิภวะตันหา ไม่ต้องการได้ไม่ต้องการมีไม่ต้องการเป็นลักษณะของตัณหานนั้นที่จริงก็เป็นอาการของกิเลสซึ่งเกิดขึ้นกระทบจิตทำจิตให้ดิ้นทำจิตให้สายให้แล่นไปในรงทั้งหลายังั้นเวลาทรงสแสดงลักษณะของตัณหาเรียกชื่อกอตัณหาจะมีชื่อเรียกเปน็นอันมาก เพืบุคคลสังเกตอาการของกิเลสที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นครนี้เราสังเกตว่าเช่นตามปกติเราก็มีความอยากกันอยู่แต่ไม่ใช่เกิดขึ้นกลุ่มรุมใจอยู่ตลอดเวลาบางครั้งมาเกิดความอยากขึ้นมาแวบเดียวแล้วก็หายไปเลยแต่การที่ความอยากมีปริมาณเพิ่มขึ้นแล้วก็บังคับจิตได้สายนั้น ท่านเรียกว่าเป็นอาการของตัณหาคือจิตดิ้นจนแปลเป็นรูปธรรมเพื่อเราเห็นง่ายๆว่าดิ้นรนทะเยอะทะยานอยากคือจิตดิ้นไปสู่รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ในอารมณ์ที่ตนใคร่ตนปรารถนาตนพอใจเนื่องจากเป็นการดิ้นในลักษณะสายหรือไม่ค่อยมีการทรงตัวที่ดีหรือเสียการทรงตัว การดินของจิตในบางอารมณ์จึงเป็นเรื่องที่สูญเสียเวลาไปโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรเป็นความอยากได้อารมณ์ต่างๆที่ผ่านมาแล้วในอดีตต้องการิ่งนั้นหวนคืนมากลับคืนมาต้องการเป็นอย่างที่ตนเคยเป็นต้องการได้อย่างที่ตนเคยได้ในอดีตแต่จริงอารมณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วในอดีตแล้วก็ดับไปแล้วในอดีต แม้จะมีะอารมณ์อย่างเดียวกันฉะนนสมมุติว่ามีรูปอย่างเดียวกันเกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วก็เป็นคนละรูปกับอดีต ร, รูปในอดีตนั้นเกิดขึ้นในขณะที่เรามีอายุอย่างหนึ่งในวันอื่นเดือนอื่นปีอื่นแล้วในขณะอื่นพอมาเกิดขึ้นในปัจจุบันสมมุติว่ารูปในลักษณะอย่างเดียวกันมันก็เกิดคนละขณะการคนละเกิคนละสถานที่การคนละวัยกัน เงื่อนไขปัจจัยที่ให้เกิดมันก็คนละเงื่อนไขปัจจัยกันแม้จะมีลักษณะคล้ายๆคล้ายๆกันก็ตามผลตัญหาที่ทรงใชกับวิสัทธิกาคือแล่นไปหรือสั้นไปในรูปต่างๆบางอย่างจะเป็นการพรารรานเวลาของตนให้หมดไปสิ้นไปโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรลักษณะเหล่านี้บางอย่างก็ปค่อยควา้าปรารถนาในเรื่องอนาคต ถ้าเป็นอาการของโมหะมากลักษณะของตัณหาก็มากถ้าเป็นอาการที่ของของโมหะมันน้อยลักษณะของตัณหาก็น้อยตอนนี้พึงสังเกตตัวอย่างตัณหาที่มันมีโมหะเจืออยู่มากเช่นคนแทงสลากกินแบ่งหรือซื้อหวยแล้วก็อยู่ด้วยโลกของความฝันคือสร้างโลกขึ้นมาใหม่สมมติตนเองเป็นผู้ถูกรางวัลที่หนึ่ง ว่ถูกรังวัดมากๆแล้วก็คิดปรุงแต่งต้องการจ่ายอย่างนั้นต้องการจ่ายอย่างนี้ต้องการไปสนุกอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นก็ว่ากันไปเรื่อยเวลาของชีวิตก็หมดไปสิ้นไปไอ้สิ่งเหล่านั้นสมมุติว่าใครจะเกิดมันก็ยังไม่เกิดเพราะงั้นไอ้การจ่ายการเที่ยวการสนุกสนานการกินเลี้ยงการสังสรรญ า, าอะไรต่างๆมันก็ไม่เกิดขึ้นแต่เวลาชีวิตเราก็หมดไปสิ้นไป แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วสิ่งเหล่านี้ที่จริงไม่ได้เกิดขึ้นเราก็กลายเป็นเรื่องโมขะที่ผลักดันให้เกิดเป็นสัญหาที่ไม่มีทิศทางอะไรชัดเจนและแม้แต่ในเรื่องอารมณ์ในปัจจุบันอีก็ดิน้นไปในอารมณ์เหล่านั้นทำให้สูญเสียความสงบ ประกวยตัดตวเอาด้วยพิธีการกต่างๆโดยในส่วนความคิดลึกๆของบุคคลเหล่านั้นอาจจะคิดว่าสิ่งที่ต้องคอยควา้าปรารถนาอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือว่ากําลังเพลิดเพลินกําหนัดยินดีอยู่ในอารมณ์ที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนั้นคล้ายๆกับตัวอารมณ์เหล่านั้นเที่ยงแท้ยั่งยืนหรือตัวเองเป็นคนเที่ยงแท้ยั่งยืนเพืออาจจะคิดว่าเที่ยงแท้ยั่งยืนทั้งสองฝ่าย ทำให้เกิดอาการประมาทในวัยในชีวิตและในความไม่มีโรคของตนบางครั้งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงให้เห็นเป็นรู ป, ปรธรรมที่เราเห็นได้ชัดอย่างปรากฏในปุพพาวัคแห่งประธรรมบภรโดยทรงยกตัวอย่างถึงการใช้ชีวิตของบุคคลที่ให้หลายไปในกระแสของตันหา มีการไขว้คว้าปรารถนาอยากได้อยากปีอยากเป็นก็ร่าไปได้แล้วมีแล้วเป็นแล้วก็มีกำหนัดเพลิดเ พ, เพลินเริงหลงอยู่ในสิ่งนั้นและในที่สุดก็อาจจะหลงลืมวันเวลาคือปล่อยการเวลาผ่านพ้นไปโดยไม่ได้ใช้สาระประโยชน์อะไ ร, ระยกตัวอย่างถึงนกกระจาบตัวหนึ่งที่ แกไปหลงเพลิดเพลินอยู่ในดอกบัวดอกบัวเป็นดอกใหญ่แล้วก็เพลิดเพลินอยู่ในดอกบัวเหล่านั้นจเนเวลาดอกบัวขูบตัวเองก็ยังไม่รู้เลยแต่ในที่สุดก็ในที่สุดก็ติดอยู่ในดอกบัวนั้นไม่สามารถจะออกมาได้ต้องรอเวลารุ่งเช้าขึ้นมากว่าดอกบัวจะบานนี่เป็นลักษณะของอาการเพลิดเพลิน ด, ด้วยกำหน้าของตันหาน ไปทรงรับสั่งเล่าถึงสุนัขจิงจอกตัวหนึ่งที่เข้าไปกินซากของช้างถือเข้าไปทางตะวันหนักแล้วก็กินไปเรื่อยๆก็มีอาหารโอชากินอิ่มแล้วก็นอนอยู่ในนั้นไอ้สุดกินลึกเข้าไปลึกเข้าไปลกเข้าไปตะวันหนักของช้างก็ปิดแล้วเกิดน้ำหลากมาพอดี ก็พาเราซากช้างตกลงไปในมหาสมุทรเราลอยไปเรื่อยๆตัวเองก็กินไปเรื่อยๆแล้วสุดก็ออกมาไม่ได้แล้วก็ตายอยู่ในมหาสมุทรเด่นเป็นภาพของชีวิตที่ทรงสะท้อนให้ดูว่าจิตที่ตกอยู่ภายใต้กระแสของตันหานั้นจะไม่ค่อยมองเหตุมองผลที่จะขาดความรอบคอบ าการพินิษฐพิจารณาการสตรวจสอบคือมุ่งไปสู่สิ่งที่ตัวเองจะได้เป็นอย่างเดียวหรือตำหนองที่เราดูง่ายๆค่้ากษัตริย์ที่ไปติดติดใส่ติ ด, ตดกลับติดจังติดม่วงติดอะไรก็ตามมันจะมีเหยื่อล่ออยู่พเอเห็นเหยื่อแล้วแทนที่จะมองให้รอบด้านก็ไม่มองก็จวิ่งเข้าหาเหยื่อตัวนั้น โดยความอยากที่ถูกแรงกระตุ้นจากเหยื่อมันกระตุ้นใจให้เกิดความอยากแล้วก็วิ่งไปให้สูรก็ติดกับติดวงติดจันติดแกล้วหรือตกหลุมหรือจะถูกริงอะไรแต่ไรนเนี่ก็คือเป็นภาพของชีวิตจะเป็นคนก็ได้จะเป็นสัตว์ก็ได้จะเป็นอะไรก็ได้ที่พอตันหาบังเกิดขึ้นกลุ่มรุมใจแล้วก็วจะต้องแล่นไปสู่อารมณ์เหนั้น ในกา ร, รบำเพ็ญปฏิบัติในชีวิตประจําวันพระเจ้าจึงทรงสอนเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ที่จริงมาเป็นกระบวนการเป็นกระบวนการที่เกิดสืบเนื่องมาจากการตาการการที่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงเป็นต้นก็เกิดเป็นวิญญาณเกิดเป็นสัมผัสเกิดเป็นเวทนาเตี้ยตอนสัมผัสนั้นจะไม่เกิดเวทนาคือจะไม่เกิดสุขเวทนาหรือเกิดทุกเวทนาก็ได้หรือเกิดเฉยเฉยซก็ได้ไม่อยู่ที่ใจของเราเอง คือใจเรากําหนดด้วยอํานาจความกําหนักใจมันก็ดิ้นสายไปเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็ดจิตกําหนดด้วยความขัดเคืองจิตมันก็สายไปด้วยการมุ่งร้ายทําลายล้างต้องการจะแก้แค้นต้องการจะล้างผลาญแล้วแต่ความคิดจะรุนแรงขนาดไหนแต่ความยินดีความยินร้ายก็เกิดขึ้นภายในใจที่ก่อให้เกิดเป็นความสุขความทุกข์ก็เพราะเรามีความยินดียินร้ายก่อน เพราถ้าเราไม่ยินดีความสุขมันก็ไม่เกิดขึ้นลักษณะปล่อยคว้าเพื่อได้เพื่มมีเพื่อเป็นเพิ่มขึ้นมันก็ไม่เกิดถ้าไม่ยินร้ายลักษณะความมาคาดพยาบามด้วยการต้องการจะโต้อตอบทำลายล้างก็จะไม่เกิดขึ้นความคิดที่จะปรักออกคิดจะทำลายคิดจะเขีนฆ่าที่คิดจะเบียดเบียนก็จะไม่มาเกิดขึ้นแต่บางครั้งบางคราวก็สูงสอนในรูปของตันหา คือบุคคลมองเห็นตัวโทษของตันหาอย่างน้อยก็บรรเทาคือบรรเทากระแสของตันหาคุมทิศทางของกระแสของตันหาเอาไว้ก็คงจะมีความอยากได้เพราะว่าตันหานั้นเป็นเรื่องที่ละได้ยากคําสอนขั้นต้นๆจึง ส, สอนในรูปของการบรรเทามากกว่าที่จะละักหมายความล ด, ล, ลดความรุนแรงของกระแสตันหาลงไป เราจมองคล้ายๆกับเรือที่เราพายไปในคลองที่น้ำไม่เชี่ยวเกินไปแล้วก็ถูกกระแสน้ำพัดไปเหมือนกันแต่ว่าเราก็คุมทิศทางไม่ให้เรือไปเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดชนหรือเกิดล่มขึ้นมาได้แต่ถูกกระแสพัดไปก็พัดไปแต่เราก็คุมการแล่นปของเรือในตามกระแสน้ำต้านการควบคุมตะนากก็มีลักษณะอย่าง ก, กัน มันการการเล่นไปการสายไปในอารมณ์ต่างๆแต่ก็รู้จักการกําหนดรู้จักความเหมาะความควรรู้จักบรรเทาความอยากในอารมณ์ทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมองในแง่ของความเป็นไปไปได้และมองในแง่ที่ตนจะได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นเพราะตันหาในอดีตก็ดีตันหาในอนาคตก็ดีนั้นที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ศาสนาในดีตเป็นเรื่องที่มันเกิดมาแล้วกระดับไปแล้วก็ตายไปแล้วศาสนะในอนาคตแม้จะมียังไงดิ้นไปยังไงเมื่อไม่ถึงเวลามันก็ไม่ถึงเวลาคือยังไม่มาก็รูตัวอย่างง่ายๆคล้ายๆกับเราต้องการจใจเพื่อนเรามาในเวลานั้นเวลานี้แม้จะนัดหมายกันแล้วก็ตับแต่ลองสังเกตุ บ, บางขณะเราขาดปัญญาเป็นเครื่องสอนอพิณิพิจารายังเวลาอีกทั้งชั่วโมง คือก็ยังไม่มาเราก็เงื้อแล้วเะเงื้ออีกจนจิตใจเรากระสับกระส่ายไม่มีความสงบเวลาซึ่งควรจะใช้ไปทําอะไรอีกตั้งชั่วโมงก็ใช้ไม่ได้เพราะใจต้องสายไปเพาต้องจะเงือดูต้องมองดูต้องคอยสังเกตที่มาของเพื่อนดู ท, ท, ทั้งๆที่ในแง่ของความเป็นจริงแล้วกำหนดนัดนั้นยังไม่ถึง แต่เพราะ<ม>ตัณหากเกิดมากเกินไปคือความอยากให้มานั้นเกิดมากเกินไปก็ทําให้ตัวโมหะคือความหลงนั้นเกิดเเพิ่มตามกันไปด้วยเกิดปิดบางเหตุปนปิดบางสติปัญญาเอาไว้เกิดแทนที่จะรู้สึกว่าคอยไปก็เท่านั้นแหละยังไม่ถึงเวลาเขามาก็กมาเองแม้เราจะเร่งรัดให้มาอย่างไงถ้าเขาไม่มาเขาก็ไม่มาเพราะว่าคนละเงื่อนไขกัน ถ้าความปรารถนาของเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งข้างนอกเราได้แล้วก็โลกก็คงไม่เป็นอย่างนี้แต่จริงโลกแต่ละชีวิตนั้นอยู่ในเงื่อนไขของเขาเองและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเขาในขณะนั้นๆัอย่างคนที่จะมาก็อาจจะมีความตั้งใจมีความประสงค์ที่จะมาทันเวลาหรือก่อนเวลาแต่ว่าจริงปรากฏว่า สภาพในท้องถนนไม่เอื้อพอที่จะมาตามกาหนดเวลาแม้เราจะเร่งรัดไปยังไงมัะก็ไม่ได้ทำให้เขามาตามที่เราต้องการได้เพราะฉั้นถ้าเราบรรเทาตัณหาไ ด, ได้คือเกิดความอยากอะไรขึ้นมาก็ตามก็มาคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นไปไม่ได้มันก็ไม่ต้องอยากมัน รีประการหนึ่งมองในแง่ของความเป็นประโยชน์เพราะมีประโยชน์มากพอไหมที่จะแสวงหาที่จะดิ้นรนที่จะคขว่คว้าที่จะได้มาซึ้งสิ่งเหล่านั้นถ้าเห็นว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรหรือไม่คุ้มค่าอะไรก็บรรเทาตัณหาในอารมณ์เหล่า น, นั้นใช่ปังกิจใจของบุคคลก็จะอยู่ที่อารมณ์ปัจจุบันมากขึ้น เต่อที่จะไขว่คว้าปรารถนาอารมณ์ในอดีตรหรืออารมณ์ในอนาคตลักษณะของความคิดที่ไหลไปตามกระแสของตัณหานั้นอย่างที่เคยให้ข้อสังเกตเอาไว้ว่าท่านที่ล่วงการผ่านวัยมามากแล้วจะมีชีวิตอยู่กับอดีตมากจะกำนัดเพลิดเพลินชื่นชมยินดีไขว่ ค, คว้าปรารถนาอารมณ์ในอดีตมาก บางครั้งางคราวก็อยู่อดีตไปเลยพอพูดแล้วหน่อยเดียวก็ไปสู่อดีตแล้วอปสู่สมัยที่ท่านยังเป็นหนุ่มเป็นสาวด้วยความเพลิดเพลินจนเราจะเห็นว่าเอาก็จริงแล้วก็เป็นพูดเรื่องตายแล้วเพราะสิ่งเหล่านั้นแม้จะมาพูดอะไรมันก็ไม่สามารถที่จะหวนคืนกลับมาได้คนอยู่ในวัยที่กําลังทํางานในวัยหนุ่มวัยสาววัยตั้ง การสร้างตัวนั้นจะคขวคว้าอารมณ์ในอนาคตมากแต่อารมณ์ในอนาคตก็อีกแหละคือยังไงยังไงก็ยังไม่มาเพราะชีวิตของบุคคลต้องสูญสิ้นไปเพราะเหตุการคขวคว้าอารมณ์ในอดีตแล้วก็บนเพิ่ถึงอารมณ์ในอดีตและคขวคว้าอารมณ์ในอนาคตแทนที่จะกำหนดยด่ที่ปัจจุบัน ลักษณะเหล่านี้ที่จริงไม่ได้เจาะจงเฉพาะอารมณ์ระดับกรรมฐานแม้แต่การทำงานในชีวิตประจำวันก็มีลักษณะอย่างนั้นคือเรื่องที่เราจะบังคับได้จริงๆจะทำงานได้จริงๆก็อยู่ที่เรื่องปัจจุบันเราก็สอนให้ทำใจให้สงบอยู่ที่ปัจจุบันในส่วนของภาะวะตัณหานั้นก็คือความอยากเป็นอยากนั้นอยากเป็นอยาน่างนี้อยากเป็นอย่างน้น เป็นอาการของโมขะที่ลึกๆจริงๆที่ลึกๆเข้าไปจริงๆคือใต้สำนึกที่ลึกๆคือบางทีคนอาจจะไม่สังเกตแต่พระเจ้าท่านทรงแสดงไว้ว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากความรู้สึกอย่างหนึ่งที่ฝังลึกอยู่ในใจของของคนของสัตว์ตั้งหาย คือเข้าใจว่าตัวเองและสิ่งที่ตัวอยากเป็นนั้นเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนไม่แปรผันทำนองคล้ยๆตัวเองไม่ตายแต่ของนั้นจะไม่แตกทำลายหรือส ถ, ถานนั้นส ถ, ถานะตำแหน่งเหล่านั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปใน่สุดก็คอยคว้าความเป็นกันด้วยประการต่างๆทา้งๆ ท, ที่เราก็มีบทเรียนอะไรอยู่รอบข้างแล้วก็มีอยู่ในชีวิตประจวัน เราก็พบเปลี่นข่าวคราวต่างๆที่ได้อ่านได้ฟังได้ยินนังสือพิมพ์บ้างนั่วิทยุบ้างนังโทรทัศน์บ้างเราก็เห็นกันว่าไอ้สิ่งที่ได้ก็ดีสิ่งที่เป็นก็ดีนั้นไม่ใช่ได้จริงๆแล้วไม่ได้เป็นจริงๆมีลักษณะที่ออกจะแน่ชัดก็คือว่าเป็นของที่ผ่านมาชั่วคราวมีลักษณะเป็นของที่ยืมคือให้ยืมใช้ชั่วคราว แม้แต่เหรีหยญยายดชั้นตำแหน่งฐานันดรศักดิ์ต่างๆที่มีการสมมติกันว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างน้นจนเกิดเป็นอหังการว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มั่งมังการว่านั้นเป็นของเราอันนั้นเป็นของเราอันโน้นเป็นของเร า, อ, นนเ อ, เราอะไรแต่ไที่จริงไม่ได้เป็นจริงๆข้อนี้ได้มีภาพปรากฏในที่หนึ่ง ซึ่งจะเป็นความคิดของใครก็ตามจะถือว่าเป็นความคิดที่คงขายจะทําเป็นรูปกระต่ายทำเป็นรูปห ม, ท ม, ปปทมปีทำเป็นรูปคนป่ า, าทำเป็นรูปชาวนาทําเป็นรูปพ่อค้าทำเป็นรูปข้าราชการแล้วก็ทําเป็นรูปของพระอาจาแล้วก็ทําเป็นรูปของสร้างศพปฏิตายแล้ว คือเป็นการมองจากมุมที่ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองเป็นใหญ่กว่าคืออาหังการด้วยความรู้สึกอาหังการมาเรานั้นเหนือกว่าแล้วก็มองกันโดยลำดับแต้ควายมีก็มองที่กระต่ายว่าเองมันสัตว์ต่ำต้อยไอ้พวกไอ้เสือ สัตย์ใหญ่ที่มองตัวหมีก็เองว่าด้อยกว่าข้าแต่คนป่าก็มองมองมองเสือว่าเองมันเลวต่ําช้าเจ้านาก็มองคนป่าว่าข้าในสิคนคนป่าก็บอกว่าข้าในสิคนเจ้านาก็ไปชี้ที่คนป่าว่าเองคนก็คนปา่า ข้าราชการก็ชี้ที่ทาาชาวนาว่าชาวนาเขาก็าต่ําตนฝ่ายประราชาก็ชี้ที่ข้าราชการว่าแกมันสาบัญชนแล้วก็ลงศพก็ชี้ว่าแต่ไม่พ้นความตายคือเป็นลันกษณะของชีวิตที่จะไปยึดอยู่ที่ตัวอัตตาถือว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้แล้วก็นึกว่าเป็นของเทียงแท้แน่นอน ตัง้งแที่เราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏแก่นคนอื่นแต่พอเราเรามีความรู้สึกว่าเราไม่เปลี่ยนแปลงมันก็เกิดเป็นลักษณะของภวะตัณหาขึ้นมาโดยประการต่างๆเพราะภาวะตัณหาจึงเกิดขึ้นมาจากความรู้สึกที่ท่านเรียกบาลีว่าสัจจะทิฏฐิคือความเห็นว่าเที่ยงแท้แน่นอนดังการมาตัณหานั้นจะมองตัวสิ่งที่เราไขว่คว้าว่าเป็นของเที่ยงแท้แน่นอน ว่าตระหานั้นเป็นการมองสิ่งที่เราอยากเป็นว่าเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเพราะอารมณ์ของพวกนี้จึงเป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานที่พระเจ้าทรงสอนให้มองอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนว่าสิ่งที่เราคอยคว้าปรารถนาก็ตามและสิ่งที่เราเป็นก็ตามมันไม่ใช่สิ่งเที่ยงแท้แน่นอน แ่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยก็ดำรงอยู่ในเหตุปัจจัยแล้วก็เสือเส่อมสลายไปตามเหตุปัจจัยความเป็นต่างๆยี่เห็นได้ชัดเลย อ, อย่างข้าราชการในตําแหน่งสูงๆเนี่ยบางทีปีเดงย้ายตั้งสองครั้งหรือบางทปีเด่งก็ย้ายครั้งหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่กี่วันก็กเกษียณยิ่งสูงยิ่งใกล้กเกษียณตําแหน่งยิ่งสูงขึ้นมาเท่าไรยิ่งใกล้กเกษียณมากขึ้นเท่านั้นแต่คนจะไม่มองในจุดที่ใกล้เกษียณ แจะมองเฉพาะจุดที่ตัวอยากจะได้เพราะ อ, อุปกรณ์ในการศึกษาสัจจะของชีวิตซึ่งมีอยู่ทั่วไปตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือข่าวคลาวต่ า, วางๆ ท, ท, ที่เราได้ยินนด้ฟังเจสมสมมูสเราคอยคว้าปรารถนาการอยากกา อ, อยากจะเป็นประธานาธิบดีของคนในประเทศหนึง่งและในข่าวคล า, าวในหน้าเดียวกันหรือหน้าต่อมานั่นเอง ปรากฏว่าประธานาธิบดีในประเทศหนึ่งถูกเดินขบวนขับไล่ประธานาธิบดีในประเทศหนึ่งไดตายลงไปประธานาธิบดีในประเทศหนึ่งจนจะหมดวาระการเป็นประธานาธิบดีแล้วประธานาธิบดีประเทศหนึ่งโดนประชาชนเดินขบวนประท้วงเป็นต้นเนี่ยคือเราเห็นภาพต่างๆที่จริงก็สอนกันอยู่ในตัว แต่เนื่องจากไม่มีการมองการศึกษาในเรื่องความจริงเหล่านี้พวกอยากเป็นก็อยากเป็นเรื่อยๆทั้งๆอีกคนหนึ่งตายอยู่ก็เห็นกันอยู่แต่ไม่ได้มองมาที่ตัวก็เข้าใจว่าตัวเองนั้นเป็นกอตัวเที่ยงแท้แน่นอนด้วยการมองโลกมองสิ่งที่เราอยากได้หรือครอบครองอยู่หรือมองฐานะตำแหน่งที่เราอยากได้และครอบครองอยู่โดยวิธีนี้นี่เอง ทำให้บุคคลมัวเมาประมาทในวัยในชีวิตและในความไม่มีโรคของตนคือแทนที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราได้เรามีโรคเป็นให้เกิดเป็นประโยชน์คือแปรสิ่งเหล่านั้นเป็นบุญเป็นกุศลที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตจิตใจของตนใน ม, มีความประนีตขึ้นคนเหล่านี้ก็ไม่พร้อมที่จะทำํำจะเกาะจะยึดที่จิตอยู่ในสิ่งเหล่านั้น แล้วในที่สุดสาระที่ตนจะได้จากทรัพย์สินเงินทองซึ่งทำงานมาได้มาด้วยความเหนื่อยยากลำบากก็ไม่ได้แต่เป็นทิ้งสมบัติเอาไว้เป็นอันมากให้คนอื่นก็ยื้อแย่งกันแล้วก็สร้างปัญหาให้แก่ลูกแก่หลานในโอกาสต่อไปเพราะในคำสอนในแนวการบรรเทาตัณหาในแนวนี้ผมสังเกตว่าคำสอนระดับฐานระดับกุศลสาธารณะสงเคราะห์กัน การสงเคราะห์การอ น, นุเคราะห์การให้ทานในชั้นต่างๆตลอดถึงการเกิดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในเรื่องในฐานะในตำแหน่งในทรัพย์สินเงินทองต่างๆเป็นต้นนั้นช่วยให้กระแสะของตัณหาได้บรรเทาเบะบางลงไปเพื่อจิตใจของบุคคลได้มีความเป็นตัวของตัวเองคือมีปัญญาใช้เป็นเครื่องมือในการสอดส่องพินิพิจารณา และจะหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นให้ได้มากที่สุดในกรณีที่ตนยังไม่สามารถจะสำรอกตันหาลงไปได้นั้นก็คือการบาเพ็ญกุศลระดับทานศีลภาวนาระดับศีลสมาธิปัญญาซึ่งแต่ละอย่างนั้นเป็นเครื่องมือในการบรรเทากระแสของตันหาไม่ให้เกิดท่วมทับจิตใจของบุคคลรุนแรงเกินไปทั้นเด็กดังนั้นพระผู้มีพระพัเกเจ้าจึงทรงสอนให้เข็น โทษของตันหาและผลประโยชน์ที่ตนจะได้จากตันหาเพราะอะไรก็ตามถ้าเรามองเห็นโทษแล้วเราก็พยายามที่จะหลีกหนีสิ่งเหล่านั้นหรือแม้จะอยู่กับสิ่งเหล่านั้นก็อยู่อย่างมีความระมัดระวังไม่เกิดโทษเกิดอันตรายขึ้นมาทํามองคล้ายๆกับเราทําต้องทํางานใกล้ไฟเราก็ลวกไฟมีคุณนา น, านมีโทษมาแต่เราก็จําเป็นจะ ต, ต้องใกล้ไอใกล้คอก็ต้องอยู่ด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่เกิดการประมาทพลังพลาดเผลอเร์จนถึงกับไฟลวกไหม้เอาหรือไฟทาอันตรายแก่ชีวิตเอาแต่ในขณะเดียวกันก็พยายามได้จะหาประโยชน์จากไฟเหล่านั้นให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ต่อจานี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทาความสงบสัข